ทรงอนุญาตให้พิสาบน้ำได้ในสมัยที่มีพายุฝุ่น362สมัยนั้นพิกษุทั้งหลายตัดเย็บจีวร อ, อยู่กลางแจ้งถูกลมฝุ่นเ ป, เปื้อนฝนก็ตกประปรายพวกพิสษุมีความยำเกรงจึงไม่อาบน้ำจำวัดทั้งๆ ท, ท, ที่มีเนื้อตัวเ ป, เปื้อนจีวรก็ดีเสนาสนะก็ดีเสียหายภิสษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกลาบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาคราบสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายยังไม่ถึงเครื่องเดือนเราอนุญาตให้อาบน้ำในสมัยที่มีพายุฝุ่นได้แล้วจึงราบสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้